สิเอ็ดศรติกะหนึ่งปฏิจจวาระหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังขาวาระเหตุปัจจัยหนึ่งสภาวธรรมที่เป็นของเสขบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นของเศษขบุคคลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นของเศษขบุคคลเกิดขึ้นอาศัยขันธ์สอง สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสียขับุคคลและอาศัยขับุคคลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นของเสียขบุคคลเกิดขึ้นเพราะเหตุก ป, ปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันที่เป็นของเสียขบุคคลเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นของเสียขับุคคลและที่ไม่เป็นของเสียขับุคคลอาศัยขบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นของเสียขับุคคลเกิดขึ้นเพราะเหตุก ป, ปัจจัยได้แก่ ขันสามและจิตตะสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่เป็นของอเสขาบุคคลเกิดขึ้นอาศัยขันสอง2สภาวธรรมที่เป็นของอสเสขบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นของอเสขาบุคคลเกิดขึ้นเพราะเหตุตปัจจัยได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่เป็นของอเสขาบุคคลเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นของอเสขาบุคคลและอสเสขบุคคล อาศัยสภาวธรรมที่เป็นของอเศขาบุคคลเกิดขึ้นเพราะเหตุกปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันที่เป็นของอเศขาบุคคลเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นของอเศัขาบุคคลและที่ไม่เป็นของเาศขบุคคลอเศัขาบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นของอเศัขาบุคคลเกิดขึ้นขันสามและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่เป็นของอเศัขาบุคคลเกิดขึ้นอาศัยขันสอง สสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขะบุคคลและอเศคะบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขะบุคคลและอเศคาบุคคลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปใจได้แก่ขันสามและจิตตสมุทฐา น, นรูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นของเสขะบุคคลและอเศคะบุคลเกิดขึ้นอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะหาทายวัตถุ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 อาศัยสภาวธรรมที่เป็นของเสคะบุคคลและที่ไม่เป็นของเศคะบุคคลนเสคะบุคคลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุทานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นของเสคะบุคคลและอาศัยมหาุูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสคาบุคคลและอเศคะบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นของอเศคะบุคคลและที่ไม่เป็นของเสคะบุคคลนเศคะบุคคล เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจได้แก่จิตตสมุฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นของอเสัยขปุคคลและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นอารามณปัจจัยเป็นต้น 4. สภาวธรรมที่เป็นของเสขับุคคลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นของเาศัยขุคคลเกิดขึ้นเพราะอารามณ์ปัจจัยเพราะอธิปฏิปัจจัยไม่มีปฏิสนธิเพราะอนันตระปัจจัยเพราะสมนันตระปัจจัย เพราะสหชาต ป, ปัจจัยเพิ่มเพิ่มมหาภูตารุกทั้งหมดเพราะอัญญามัญญปัจจัยเพราะนิจยปัจจัยเพราะอาุปนิสยปัจจัยเพร า, าะบุเรชาตปัจจัยเพราะอาศัวณปัจจัยได้แก่ขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นของเสขบุคคลเกิดขึ้นอาศัยขันธ์สองสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขบุคคลและอาศขาบุคคล อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสชะบุคคลและอาเสชาบุคคลเกิดขึ้นเพราะอาเสวนปัจจัยได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นของเสชะบุคคลและอาเสชาบุคคลเกิดขึ้นอาศัยขันสองเพราะกรรมปัจจัยเพราะวิปากปัจจัยได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่เป็นวิบากซึ่งเป็นของเสชะบุคคลเกิดขึ้นอาศัยขันสองมีสามวาระ เพิ่มเพิ่มให้บริบูรณ์สภาวธรรมที่เป็นของอเศัข่าบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นของอเสข่บุคคลเกิดขึ้นเพราะวิปากระปัจจัยได้แก่อาศัยขันหนึ่งที่เป็นของอาศข่บุคคลมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเาศข่บุคคลและอเศัข่บุคคลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเาศข่บุคคลและอเศัขบุคคลเกิดขึ้นเพราะวิปากระปัจจัยได้แก่ ขันสามและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่เป็นวิปากซึ่งไม่เป็นของเสขะบุคคลและอเสขะบุคคลเกิดขึ้นอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะหาทายวัตุอาศัยขันเกิดขึ้นขันอาศัยหทายวัตุเกิดขึ้นมหาภูตรูปหนึ่งสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขะบุคคลและอเสขะบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นของเสขะบุคคล <mister ius> และที่ไม่เป็นของเสชะบุคคลอเสชาบุคคลเกิดขึ้นเพราะวิปากับปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันที่เป็นวิบากซึ่งเป็นของเสชะบุคคลและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่ไม่เป็นของเสชาบุคคลและอเสชาบุคคลอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นของอเสชาบุคคลและที่ไม่เป็นของเสชาบุคคลอเสชาบุคคลเกิดขึ้นเพราะวิปากับปัจจัยได้แก่ จิตตสมุฐานรูปอาศัยข ah pues ันธ์ที่เป็นของอเสขบุคคลและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นอาหารรปัจจัยเป็นต้น 5. สภาวธรรมที่เป็นของเสขบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นของเสขบุคคลเกิดขึ้นเพราะอาหารับปัจจัยเพราะอินทรีย์ปัจจัยเพราะชานะปัจจัยเพราะมรรคปัจจัยเพราะสัมปยุตตะปัจจัยเพราะวิปยุตตะปัจจัยเพราะอัติปัจจัย เาะนัตถิปัจจัยเพราะวิคตาปัจจัยเพราะอวิคตาปัจจัย 1. ปัจจญานุโลม 2. สังคสยาวาระสุทไนย 6. เฮตุปัจจัยมี9้าวาระอรมะณปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมี9้าวาระอันันตรปัจจัยมีสามวาระสมานันตรปัจจัยมีสาวาระสหชาตปัจจัยมี9้าวาระ อัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนิจยาปัจจัยมีเก้าวาระอุปนิจยาปัจจัยมีสามวาระปเรชาตาปัจจัยมีสามวาระอาสิวนปัจจัยมีสองวาระกรมมปัจจัยมีเก้าวาระวิปากปัจจัยมีเก้าวาระอหาราปัจจัยมีเก้าวาระอินทริยปัจจัยมีเก้าวาระชานะปัจจัยมีเก้าวาระมัคคปัจจัยมีเก้าวาระ สัมบัติปัจจัยมีสามวาระวิปปัจจัยมี9ก้าวาระอาติปัจจัยมี9้าวาระนัติปัจจัยมีสามวาระวิคตะปัจจัยมีสามวาระเฮาวิคตะปัจจัยมี9้าวาระผึงนับอย่างนี้อนุโลมจบ 2. ปัจจะยะปั จ, จนียะหนึ่งวิพังขวาระนเหตุปัจจัยเจ็ด สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสชาบุคคลและอาเสชบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสชาบุคคลและอาเสชบุคคลเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่เป็นอเหตุกะซึ่งไม่เป็นของเสชาบุคคลและอาเสชาบุคคลเกิดขึ้นอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุกะพาทายวัตุอาศัยขันเกิดขึ้น ขันอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐานสำหรับเหล่าอสัญญาสัตยพรมมหาภูตรูปหนึ่งโมหะที่สหรโคด้วยวิจิกิจฉาและที่สหะรโคดยอุทจฉาอาศัยขันที่สหรโคด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรโคด้วยอุทจฉาเกิดขึ้นเนาอารรมณปัจใจแปด สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเศคารุคคลและอเศะบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นของเสขารุคคลเกิดขึ้นเพราะ น, นอารรมณปัจจัยได้แก e. ่จิตต ส, สมุฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นของเาศะคุคคลเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเศขารุคคลและอเศะบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นของอเศขบุคคลเกิดขึ้นเพราะนั друзья. อารรมณปัจจัยได้แก่จิตตสมุฐานรูป อาศัยขันที่เป็นของอเศะบุคคลเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่ไม่เป็นของเาขะบุคคลและอเศะบุคคลอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นของเ ส, ฐฐฐฐะสขะบุคคลและอาศะบุคคลเกิดขึ้นเพราะเนอารมณปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันที่ไม่เป็นของเสขะบุคคลและอาศะบุคคลเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะภาทยวัตุอาศัยขันเกิดขึ้ น, นมหาภูต ร, รูปหนึ่ง สำหรับเราอสัญญาสัธยพรมสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขาบุคคลและแอเสขาบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นของเสขาบุคคลและที่ไม่เป็นของเสขาบุคคลอเสขาบุคคลเกิดขึน้นเพราะออรนอารมณปัจจัยได้แก่จิตตส ม, มุฐานรูปอาศัยขันที่เป็นของเสขาบุคคลและแอาศัยมหาปูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขาบุคคลและอเสขาบุคคล อาศัยสภาวธรรมที่เป็นของอเศะบุคคลและที่ไม่เป็นของเสขะบุคคลอเศะบุคคลเกิดขึ้นเพราะอนัรรมณปัจจัยได้แก่จิตจสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นของอศาศะบุคคลและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นและอธิปติปัจจัยเป็นต้นเกสภาวธรรมที่เป็นของเสขะบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นของเสขะบุคคล เกิดขึ้นเพราะณอธิปติปัจจัยได้แก่อธิปฎีธรรมที่เป็นของเสคะบุคคลอาศัยขันที่เป็นของเสคะบุคคลเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นของอเสคะบุคคลอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นของอเสคะบุคคลเกิดขึ้นเพราะณอธิปติปัจจัยได้แก่อธิปฎีธรรมที่เป็นของอเสคะบุคคลอาศัยขันที่เป็นของอเศคารุคคลเกิดขึ้น สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสฆะบุคคลและอเสฆะบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสฆะบุคคลและ อ, สะอเสฆะบุคคลเกิดขึ้นเพราะณอธิ ป, ธปติปัจจัยพึงเพิ่มให้บริบูรณ์พึงเพิ่มปฏิสนธิและมหาภู ต, ร, ต, ต, ร, ตรูปทั้งหมดเพราะณอนันตระปัจจัยเพราะณสมณันตระปัจจัยเพราะหนอนัญญ า, ามัญญปัจจัยเพราะณอุปาณิยปัจจัยเพราะณนปุเรชาตปัจจัยมีเจดวาระ เหมือนกับปุสลติกะเพราะณปัจฉาชาตะปัจจัยเพราะณอาเสวนะปัจจัยได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่เป็นวิปากซึ่งเป็นของเสขับุคคลเกิดขึ้นอาศัยขันสองสิทธิ์สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขับุคคลและอาเสขับุคคลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นของเสขับุคคลเกิดขึ้นเพราะณอาเสวนะปัจจัยได้แก่จิตตาสมุทฐานรูป อาศัยขันที่เป็นของเสคะบุคคลเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นของเสคะบุคคลและที่ไม่เป็นของเสคะบุคคลอาศัะบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นของเสคะบุคคลเกิดขึ้นเพราะนั้นอาศัวณปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตาสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่เป็นวิบากซึ่งเป็นของเสคะบุคคลเกิดขึ้นอาศัยขันสองสภาวะธรรมที่เป็นของอาศัยคาุคคล อาศัยสภาวธรรมที่เป็นของอเศะบุคคลมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขะบุคคลและอาศะบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขะบุคคลและอาศะบุคคลเกิดขึ้นเพราะหน้าอาศุณปัจจัยได้แก่อาศัยขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นของเสขะบุคคลและอาศะบุคคลบริบูรณ์แล้วอาศัยสภาวธรรมที่เป็นของเสขะบุคคล และ LEY ที่ไม่เป็นของเสชะบุคคลและอเสชะบุคคลคาตนาบริบูรณ์แล้วพึงเพิ่มสองวาระมีเ้าวาระเพราะนกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่เป็นของเสชะบุคคลอาศัยข evet ันที่เป็นของเสชะบุคคลเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่ไม่เป็นของเสชะบุคคลและอเสชะบุคคลอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นของเสชะบุคคลและอเสชะบุคคลเกิดขึ้นเพราะนกรรมปัจจัยได้แก่ เจตนาที่ไม่เป็นของเซขะบุคคลและแอเซขะบุคคลอาศัยขันที่ไม่เป็นของเซขะบุคคลและแอาเซขะบุคคลเกิดขึ้นที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุฐานที่มีออตุเป็นสมุทฐานมหาภูต ร, รูปหนึ่งนวิปากะปัจจัยอสภาวธรรมที่เป็นของเซขะบุคคลอาศัยสภาวธรรม ท, ที่เป็นของเซขะ บ, บุคคลเกิดขึ้นเพราะนวิปากะปัจัยได้แก่ ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่เป็นของเสชาบุคคลเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่ไม่เป็นของเสชะบุคคลและอเสัะบุคคลอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นของเสชะบุคคลเกิดขึ้นเพราะนวิปากัปัจจัยได้แก่จิตตาสมุทฐานรูปอาศัยขันที่เป็นของเสชาบุคคลเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นของเสชะบุคคลและที่ไม่เป็นของเสชะบุคคลอาศัะบุคคล อาศัยสภาวะธรรมที่เป็นของเสคะบุคคลเกิดขึ้นเพราะนวิปากับปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทานรูปอาศัยขันหนึ่งที่เป็นของเศคะบุคคลเกิดขึ้นสิบสองสภาวะธรรมที่ไม่เป็นของเสคะบุคคลและเศคะบุคคลอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นของเศคะบุคคลและอเศคะบุคคลเกิดขึ้นเพราะนวิปากับปัจจัยบริบูรณ์แล้วไม่มีปฏิสนธิ สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสชะบุคคลและอาเสชะบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นของเสชะบุคคลและที่ไม่เป็นของเสชะบุคคลอาเสชะบุคคลเกิดขึ้นเพราะนวิปา ก, กัปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นของเสชะบุคคลและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นนอาหารรับปัจจัยเป็นต้นสิบสาม สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสชะบุคคลและแอเสชะบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสชะบุคคลและแอเสชาบุคคลเกิดขึ ah ay, ้นเพราะนอาหารปัจจัยเพราะหนอินทริยปัจจัยเพราะหน้าชาณะปัจจัยเพราะนมรรคปัจจัยหน้าสัมปยุตตปัจจัยเป็นต้นสิบสี่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสชะบุคคลและแอเสชะบุคคลอาศัยสภาวธรรมทีม่เป็นของเสชะบุคคลเกิดขึ้น เพราะณสัมปยุตตปัตจจัยปัจจัยนี้เหมือนกับณอารมณะปัจจใจณวิปยุตตะปัจจัยเป็นต้นสภาวธรรมที่เป็นของเขสขะบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นของเขสขะบุคคลเกิดขึ้นเพราะณวิปยุตตะปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิขันสามอาศัยขันหนึ่งที่เป็นของเจคะบุคคลเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นของอเจขบุคคล อาศัยสภาวธรรมที่เป็นของอรราเซขบุคคลเกิดขึ้นเพราะนาวิปยุตตะปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิขันสามอาศัยขันหนึ่งที่เป็นของอรราเสขะบุคคลสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเซฆะบุคคลและอเซขะบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขะบุคคลและอาเซฆะบุคคลเกิดขึ้นเพราะนวิปยุตตะปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิขันสามอาศัยขันหนึ่ง ที่ไม่เป็นของเสขะบุคคลและเสชะบุคคลเกิดขึ้นที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุดฐานสำหรับเราอสัญญัตถพรมเพราะโนนติปัจจัยเพราะโนวิคตะปัจจสองปัจยะปัจจนยะสองสังขยาวาระสุทไนสิบห้าและเหตุปั จ, จัจมีหนึ่งวาระแอารมณปั จ, จัยมีห้าวาระ ณอธิปฏิปัจจัยมีสามวาระณอนันตระปัจจัยมีห้าวาระณสมนันตระปัจจัยมีห้าวาระณอัญญามัญญาปัจจัยมีห้าวาระณอุปนิสัยปัจจัยมีห้าวาระณปุเรชาตะปัจจัยมีเจวาระณปัจฉาชาตะปัจใจมีเก้าวาระณอาศวณปัจใจมีเก้าวาระณกรรมปัจจัยมีสองวาระณวิปากปัจจใจมีห้าวาระ นอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระนอินทรีย์ปัจจัยมีหนึ่งวาระนาชานะปัจจัยมีหนึ่งวาระนมาคาปัจจัยมีหนึ่งวาระนสัมบยุตตปัจจัยมีหวาระนวิบยุตตปัจจัยมีสมวาระโนนติปัจจัยมีหวาระโนวิคตปัจจัยมีหวาระพึงนับอย่างนี้ปัจญิยะจบ 3. ปัจจญานุโลมปัจญิยะ เพรุกุกขนัยสิบหณอารมณปัจจัยกับเพตุกัจจัยมีห้าวาระณอธิปติปัจจัยละถึงมีสามวาระณอนันตระปัจจัยมีห้าวาระณสมนันตระปัจจัยมีห้าวาระณอัญญมัญญปัจจัยมีห้าวาระณอุปนิสยปัจจัยมีห้าวาระณปุเรชาตะปัจจัยมีเจดวาระณปัจฉาชาตะปัจจัยมีเก้าวาระ ณอาสวณปัจจัยคาเพทุปัจจัยมีเก้าวาระณกรรมปัจจัยละถึงมีสองวาระณวิปากปัจจัยมีห้าวาระณสัมปยุตตปัจจัยมีห้าวาระณวิปยุตตะปัจจัยมีสามวาระโนนัตติปัจจัยมีห้าวาระโนวิคตะปัจจัยมีห้าวาระพึงนับอย่างนี้อนุโลมปัจญิยะจบ 4. ปัจญยะปัจญยานุโลม นัเหตุทุกข์ภยในสิบเอารามณะปัจจัยกับนั่เหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอนันตระปัจจัยละถึงมีหนึ่งวาระสัมนันตรปัจจัยมีหนึ่งวาระสหาชาติปัจจัยมีหนึ่งวาระอัญญะมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระนิสยปัจจัยมีหนึ่งวาระอุปนิสยปัจจัยมีหนึ่งวาระปเรชาติปัจจัยมีหนึ่งวาระ อาเศวณะปัจจัยมีหนึ่งวาระกรรมะปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหาระปัจจัยมีหนึ่งวาระอินทรียะปัจจัยมีหนึ่งวาระชานะปัจจัยมีหนึ่งวาระมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระสังปยุตตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปยุตตปัจใจและถึงมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยมีหนึ่งวาระ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 เอ็ดติระสปัจญะวาระหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังฆาวาระเหตุปัจจัยสิบแปดสภาวธรรมที่เป็นของเสขารุคคนทำสภาวธรรมที่เป็นของเสขารุคคลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระเหมือนกับปฏิจจวาระสภาวธรรมที่เป็นของอเสขบุคคล ทำสภาวะธรรมที่เป็นของอเสขาบุคคลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระเหมือนกับปฏิจจาวาระ 19. สภาวาลละธรรมที่ไม่เป็นของเาศขาบุคคลและอเศัขาบุคคลทำสภาวะธรรมที่ไม่เป็นของเาศขาบุคคลและอเศัขาบุคคลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยบริบูรณ์แล้วจิตาสมุทฐานรูปและกระตาตารูปที่เป็นอุปาทัยรูป รำมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์ที่ไม่เป็นของเสขาบุคคลและอเสขาบุคคลทำอัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นของเสขาบุคคลทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขาบุคคลและอเสขาบุคคลให้เป็นปันจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นของเสขาบุคคลทำอัตยวัตถุให้เป็นปันจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นของเสขาบุคคล ทำสภาวะธรรมที่ไม่เป็นของเศษขับุคคลและอเศัยขับุคคลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยได้แก่คันที่เป็นของอาศัยขับุคคลทำอทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นของเสศัขับุคคลและที่ไม่เป็นของเาศัขับุคคลและอเสัยขับุคคลทำสภาวะธรรมที่ไม่เป็นของเสศัขับุคคลและอเสัยขับุคคลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุถูกปัจจัยได้แก่ คันที่เป็นของเสขบุคคลธรรมเทวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปธรรมมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นของอเสขบุคคลและที่ไม่เป็นของเสขบุคคลอเสขบุคคลทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขบุคคลและอเสขบุคคลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจจัยได้แก่คันที่เป็นของอเสขบุคคลธรรมเทวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น จิตแต่สมถานารูปทำมหาปูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นยีสิสภาวธรรมที่เป็นของเสขารุคคนทำสภาวธรรมที่เป็นของเสขารุคคลและที่ไม่เป็นของเสขารุคคลอาศิคารุคคลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามทำขันหนึ่งที่เป็นของเสขารุคคลและธรรมะเทวุถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันสอง สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเศคารูปคลและเศขารูปคลอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นของเสขารูปคลและที่ไม่เป็นของเศคารูปคอเศขารูปคลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุฐานรูปทำขันที่เป็นของเสขารูปคลและรำมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นของเสขารูปคลและที่ไม่เป็นของเศคารูปคอเศขารูปคล ทำสภาวธ um. er um, รรมที่เป็นของเสข่บุคคลและที่ไม่เป็นของเสข่บุคคลอเสข่บุคคลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามทำขันหนึ่งที่เป็นของเสข่บุคคลและทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันสองจิตตสมุทฐานรูปทำขันที่เป็นของเสข่บุคคลและทำมหาปูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นทำสภาวธรรมที่เป็นของอเสขบุคคล และที่ไม่เป็นของเซขบุคคลอเศขะบุคคลมีสามวาระเหมือนกับสภาวธรรมที่เป็นของเสขะบุคคลอารมณปัจจัยยี่สิบเอ็ดสภาวธรรมที่เป็นของเสขะบุคคลทำสภาวธรรมที่เป็นของเสขะบุคคลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่เป็นของเอเซฆบุคคลทำสภาวธรรมที่เป็นของอเซฆบุคคล ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขบุคคลและอาศิคารุคนทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขารุคคลและอเสขคาุคคลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารมะณปัจจัยมีหนึ่งวาระคันที่ไม่เป็นของเสขารุคคลและอเสขคาุคคลธรรมะเทววัตุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจากขควิญญาณทำจากขายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นกายวิญญาณ ทำกายายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์ที่ไม่เป็นของเสชาบุคคลและอเสชะบุคคลธรรมทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นของเสชะบุคคลทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเ <ivals> สชาบุคคลและอเสชะบุคคลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารมะณปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่ปเป็นของเสชะบุคคลธรรมทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นของอเสชาบุคคล ทำสภาวะธรรมที่ไม่เป็นของเสขาบุคคลและอเสขาบุคคลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารมะณปัจจัยได้แก่ขันที่เป็นของอเสขาบุคคลธรรมทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นของเสขาบุคคลทำสภาวะธรรมที่เป็นของเสขบุคคลและที่ไม่เป็นของเสขบุคคลอเสขบุคคลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารมะณปัจจัยได้แก่ขันสามทำขันหนึ่ง ที่เป็นของเศาศข้บุคคลและธรรมทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันสองสภาวธรรมที่เป็นของอาศขบุคคลทำสภาวธรรมที่เป็นของอาศขบุคคลและที่ไม่เป็นของเาศขบุคคลและอเสขบุคคลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยได้แก่ขันสามทำขันหนึ่งที่เป็นของอาศขาบุคคลและธรรมทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันสอง อธิปติปัจจัยเป็นต้นยี่สิบสองสภาวธรรมที่เป็นของเสขะบุคคนทำสภาวธรรมที่เป็นของเสขะบุคคลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอธิปติปัจจัยเพราะอนันตรปัจจัยเพราะชัมนันตระปัจจัยเพราะสหชาติปัจจัยเพราะอัญญมัญญปัจจัยเพราะนิจยปัจจัยเพราะอุปาณิจยปัจจัยเพราะปุเรชาตะปัจจัยเพราะอาศิวะนปัจจัยได้แก่ ขันสามทำขันหนึ่งที่เป็นของเสีะบุคคลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่ไม่เป็นของเสีะบุคคลและอเสัะบุคคลทำสภาวะธรรมที่ไม่เป็นของเสีะบุคคลและอเสัะบุคคลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอาเสวณัปัจจัยได้แก่ทำขันหนึ่งที่ไม่เป็นของเสีะบุคคลและอเสัะบุคคลขันที่ไม่เป็นของเสีะบุคคลและอเสัะบุคคลรำอภัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น สภาวธร no religion religion. รม ท, ทีทท่เป็นของเสขบุคคลทำสภาวธรรมที <k id <k id ่ไม่เป <pour seul> ็นของเสขบุคคลและเฉขบุคคลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอาศัยวณตัจัยได้แก่คันที่เป็นของเสขบุคคลธรรมะไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นของเสขบุคคลทำสภาวธรรมที่เป็นของเสขบุคคลและที่ไม่เป็นของเสขบุคคลอเสขบุคคลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น ราอาศัยวณัจจัยได้แก่ขันสามทำขันหนึ่งที่เป็นของเสขารุคคลและธรรมทายวัตุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันสองกรมมปัจจัยเป็นต้นยี่สิสาสภาวะธรรมที่เป็นของเสขารุคคนทำสภาวะธรรมที่เป็นของเสขารุคคลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะกรรมมปัจจัยเพราะวิปากะปัจจัยทำขันหนึ่งที่เป็นวิบากซึ่งเป็นของเสขารุคคล เพราะอาหารปัจจัยเพราะอินทริย์ปัจจัยเพราะชานะปัจจัยเพราะมรรคปัจจัยเพราะสัมปยุตตปัจจัยเพราะวิปยุตตปัจจัยเพราะอัติปัจจัยเพราะนาฏิปัจจัยเพราะวิคตาปัจจัยเพราะอวิคตะปัจจัย 1. ปัจจญานุโลม 2. สังขยาวาระสุทไนยยี่เหตุปัจจัยมี17วาระ อารามณะปัจจัยมีเจดวาระอธิปติปัจจัยมีสิบเจดวาระอนันตระปัจจัยมีเจดวาระสมนันตระปัจจัยมีเจ็ดวาระสหชาติปัจจัยมีสิบเจดวาระอัญญมัญญปัจจัยมีเจ็ดวาระนิสยปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระอุปานิสยาปัจจัยมีเจดวาระปุเรชาติปัจจัยมีเจดวาระอาเสวะนปัจใจมีสี่วาระกรรมปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระ วิปากปัจจัยมี17ดวาระอาหารปัจจัยมี17ดวาระเอินชริยปัจจัยมี17ดวาระชานะปัจจัยมี17ดวาระมัคระปัจจัยมี17วาระสัมปยุตตปัจจัยมีเจดวาระวิปยุตตะปัจจัยมี17วาระอัติปัจจัยมี17ดวาระนาฏิปัจจัยมีเจวาระวิคตะปัจจัยมีเจดวาระอวิคตะปัจจัยมี17ดวาระ พึงนับอย่างนี้อนุโลมจบสองปัจจะปัจจนียะหนึ่งวิพังควาระนเหตุปัจจัยี่สิห้าสภาวะธรรมที่ไม่เป็นของเศขาบุคคลและอเศขบุคนทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขาบุ ค, คลและเศขาุ ค, คลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนาเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทฐานรูป ทำขันหนึ่งที่เป็นอเหตุตุกะซึ่งไม่เป็นของเจค้าบุคคลและเจคะบุคคลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันสองในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุตุกะมหาทายวัตถุทำขันให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธรรมทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นธรรมมหาโพธิรูปหนึ่งที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐานสำหรับเราอสัญญสัตตพรม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 เนือารมณปัจจัยเป็นต้นยี่สิบหกสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเซี่ะบุคคลและอเซี่ะบุคคลทำสภาวธรรมที่เป็นของเซี่ะบุคคลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนือารมณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นของเซี่ะบุคคลทำสภาวธรรมที่เป็นของเซี่ะบุคคลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเนือธิปติปัจจัยได้แก่อธิปดีธรรมที่เป็นของเซี่ะบุคคล ทำขันที่เป็นของเาศขบุคคลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นของอเศขบุคคลทำสภาวธรรมที่เป็นของอเศขบุคคลเกิดขึ้นเพราะนอธิปฏิปัจจัยได้แก่อธิปดีธรรมที่เป็นของอเศขบุคคลทำขันที่เป็นของอเศขบุคคลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเาศขบุคคลและอเศข้บุคคลทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเาศข้บุคคลและอเศขบุคคล ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนอธิปติปัจจัยบริบูรณ์แล้วสำหรับเราอาสัญญัตถพรมจกขายเจตนะขันที่ไม่เป็นของเสขบุคคลและอาศะบุคคลธรรมะไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นของเสขบุคคลทำสภาวะธรรมที่ไม่เป็นของเสขบุคคลและอสศะบุคคลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนัติปฏิปัจจัยได้แก่อธิปฎีธรรม ท, ที่เป็นของเาศข be be ้บุคคลทำอทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นของอาศขาบุคคลทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเาศข้บุคคลและอเสขบุคคลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะณอธิปติปัจจัยได้แก่อธิปดีธรรมเป็นของอเศัยขบุคคลทำอทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นของเาศข Wha ้บุคคลทำสภาวธรรมที่เป็นของเาศข้บุคคล และที่ไม่เป็นของเสชาบุคคลอเสชาบุคคลให้เ ป, ปเป็นปัจจัยเกิดขึน้นเพราะในอธิปติปัจจัยได้แก่อธิปฎีธรรมที่เป e. ็นของเสชาบุคคลทำขันที่เป็นของเสชาบุคคลและธรรมเทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นของอเสชาบุคคลทำสภาวะธรรมที่เป็นของอเสชาบุคคลและที่ไม่เป็นของเเสชะบุคคลและอเสชาบุคคลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น เพราะณอธิปฏิปัจจัยได้แก่อธิปฏีธรรมที่เป็นของอาศะบุคคลทำขันที่เป็นของอเสศะบุคคลและธรรมทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นณอนันตระปัจจัยเป็นต้น27สภาวะธรรมที่ไม่เป็นของเาศะบุคคลและอเสศะบุคคลทําสภาวะธรรมที่เป็นของเาศะบุคคลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะณอนันตระปัจจัยเพราะหนสมนันตระปัจจัย เพราะน้อัญญะมัญญะปัจจัยเพราะน้อุปาณิยัจัยเพราะนปเรชาตปัจัยเพราะน้ปัจฉาชาตปัจัยมีเจดวาระเพราะน้อาศัวนปัจจัยเพราะน้กรรมะปัจจัยได้แก่เจตนาที่เป็นของเศคารุคคลทาขันที่เป็นของเศคขบุคคลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเศคขบุคลและอเสขบุคคล ทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขาบุคคลและอาศขาบุคคลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะน Alumni, ักกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่ไม่เป <ogue> ็นของเสขาบุคคลและอาศขาบุคคลทำขันที่ไม่เป็นของเสขาบุคคลและอาศขาบุคคลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทรานที่มีอุตุเป็นสมุทรานเจตนาที่ไม่เป็นของเสขาบุคคลและอเสขาบุคคล ธรรมะไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นของเสขาบุคคลทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเฉขาบุคคลอเฉขาบุคคลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนักกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่เป็นของเฉขาบุคคลธรรมะไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นของเฉขาบุคคลทำสภาวธรรมที่เป็นของเสขาบุคคลและที่ไม่เป็นของเฉขาบุคคลอเฉขาบุคคล ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนกกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่เป็นของเศคารุคนทำการที่เป็นของเสขารุคคลและธรรมะไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นแวิปากระปัจจัย28สภาวธรรมที่เป็นของเสขารุคคนทำสภาวธรรมที่เป็นของเสขารุคคลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนวิปากัะปัดใจบทมีสภาวธรรมที่เป็นของเสขารุคคลเป็นมูล มีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสชะบุคคลและเสชะบุคคลทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสชะบุคคลและเสชาบุคคลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนวิปากปัจจัยบทมีสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสชะบุคคลและอเสชาบุคคลเป็นมูลมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นของเสชะบุคคลทำสภาวธรรมที่เป็นของเสชะบุคคล และที่ไม่เป็นของเสข้บุคคล อ, อเสข้บุคคลให้เปน็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนวิปากปัจจัยในเสขาคตนามีสามวาระนอาหารรับปัจใจเป็นต้นยี่สิบเกสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสข้บ <Japanese> ุคคลและอเสข้บุคคลทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสข้บุคคลและอเสข้บุคคลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนอาหารรับปัจใจเพราะนอินทรีย์ปัจจัย เพราะหน้าาณะปัจจัยเพราะนามัคคะปัจจัยเพราะหน้าสัมบุญตปัจจัยเพราะหวิปุญตปัจจัยเพราะโนนติปัจจัยเพราะโนวิคตะปัจจัย 2. ปัจยปัจเนีย สสังคยาวา ร, ondan, habitude, canvas, ระ üm, สุทไนัย30มสิเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนอารมณปัจจัยมีห้าวาระนอธิปติปัจจัยมีเจดวาระน่ะอนันตรปัจจัยม sure ีห้าวาระนสมณันตระปัจจัยมีห้าวาระนอัญญามัญญปัจจัยมีห้าวาระนอุปนิสยปัจจัยมีห้าวาระน่ปุเรชาตะปัจจัยมีเจดวาระ นภัชชาชาตปัจจัยมี17วาระนอาเสวนปัจจัยมี17วาระนกรรมะปัจจมีสี่วาระนวิปากปัจจัยมี9้าวาระนอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระนอินทริยปัจจัยมีหนึ่งวาระนชานะปัจจัยมีหนึ่งวาระนมค้าปฏใจมีหนึ่งวาระนสัมปยุตตปัจจัยมี5วาระนวิปยุตตปัจจัยมีสวาระโนนติปัจจัยมีหวาระ นวิคตาปัจจัยมีห้าวาระพึงนับอย่างนี้ปัจญียะจบสปัจจญานุโลมปัจญียะเหตุทุกข์ในสาสเอดณอารมณะปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีห้าวาระณอธิปติปัจใจและถึงมีเจดวาระณอันันตระปัจจัยมีห้าวาระณสมณันตระปัจจัยมีห้าวาระณอัญญามัญญะปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีห้าวาระ นอุปนิ gained. these. สิยปัจจัยละถึงม <Redner. S 2> ีห้าวาระนาปุเรชาตปัจจัยมีเจดวาระนปัชชาชาตปัจจัยมีสิบเจวาระนอาศัยวนปัจจัยมีสิเจวาระนกรรมปัจจัยมีสี่วาระนวิปากปัจจัยมี9้าวาระนสัมปยุตปัจจัยมีห้าวาระนวิปยุตปัจจัยมีสามวาระโนนัติปัจจัยมีห้าวาระโนวิคตาปัจจัยมีห้าวาระ พึงนับอย่างนี้อนุโลมปัจญิยะจบสปัจญิยปัจญิยานุโลมสามสิบสองอารมณะปัจจัยกับนเฮตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอนันตระปัจจัยละถึงมีหนึ่งวาระสมณันตระปัจจ UM ัยมีหนึ่งวาระสหชาตะปัจจัยมีหนึ่งวาระอัญญะมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระพึงนับอย่างนี้ ปัจญยาณุโลมจบปัจยวาระจบนิจยวาระเหมือนกับปัจยวาระสิบเอ็ดเศกัิกะห้าสังสัทธาวาระหนึ่งปัจญานุโลม หนึ่งวิพังขาวาระเหตุปัจจัยสาสิบสาสภาวธรรมที่เป็นของเสขับุคคลเกิดรักคนกับสภาวธรรมที่เป็นของเสขัส seal, บุคคลเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามเกิดรักคนกับขันหนึ่งที่เป็นของเสขับุคคลเกิดรกคนกับขันสองสภาวธรรมที่เป็นของเสขับุคคลเกิดรกคนกับสภาวธรรมที่เป็นของเสขบุคคล เพราะเหตุตุปัจได้แก่ขันสามเกิดรัคนกับขันหนะะ 1, İstanbul, ึ่งที่เป <xico> ็นของเสศัขบ <tawa> ุคคลเกิดรัคนกับขันสองสภาวะธรรมที่ไม่เป <This iest> ็นของเาศัขบุคคลและอเศัยขบุคคลเกิดรัคนกับสภาวะธรรมที่ไม่เป็นของเสศัขบุคคลและอเสัยขบุคคลเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามเกิดรัคนกับขันหนึ่งท <bnb ulk> huh ี่ไม่เป็นของเาศัขบุคคลและอเสัยขบุคคลเกิดรัคนกับขันสอง ในปฏิสนธิขณะอารามณปัจใจเป็นต้นสามสภาวธรรมที่เป็นของเสคบุคลเกิดรกนกับสภาวธรรมที่เป็นของเสคบุคคลเพราะอารมณปัจใจเพราะอธิปฏิปัจใจเพราะปุเรชาตปัจใจเพราะอาศวณะปัจใจพึงเพิ่มสองวาระเพราะอาวิคตะปัจใจัย 1. ปัจญานุโลมสสังขยาวาระ 35. เหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณะปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระอานันตระปัจจัยมีสามวาระสมนันตระปัจจัยมีสามวาระสหชาตปัจจัยมีสามวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนิจยปัจจัยมีสามวาระอุปญนิจยปัจจัยมีสามวาระปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระ อาเศวนะปัจจัยมีสองวาระกัมมปัจจัยมีสามวาระอวิคตะปัจจัยมีสามวาร ะ, า ะ, จจาาระพึงนับอย่างนี้อนุโลมจบสองปัจยะปัจจนยะหนึ่งวิพังขวาระนเหตุปัจจสามสิบหกสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเศคบุ ค, คลและเศคบุคคลเกิดละคนกับสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเศคบุคคลและเศคบุคคล เพราะน่ะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามเกิดรัคนกับขันหนึ่งที่เป็นอเหตุุตะซึ่งไม่เป็นของเสขารุคคลและอเสขารุคคลเกิดรัคนกับขันสองในปฏิสตองที่ขณะที่เป็นอเหตุกะโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทจจะเกิดรัคนกับขันที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทจจะหน้าที่ปฏิปัจใจสามสบเจ็ Umn. สภาวธรรมที่เป็นของเศขาบุคลเกิดรกนกับสภาวธรรมที่เป็นของเศขาุคลเพราะหนอธิปติปัจัยได้แก่อธิปดีธรรมที่เป็นของเศขาบุคลเกิดรคนกับขันธ์ที่เป็นของเศขาบุคคลสภาวธรรมที่เป็นของเศขาุคลเกิดรคนกับสภาวธรรมที่เป็นของเศขาุคลเพราะหนอธิปติปัจัยได้แก่อธิปฎีธรรมที่เป็นของเสขาุคล เกิดรัคนกับขันที่เป็นของออเสขบุคคลสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขาบุคคลและเสขบุคคลเกิดรัคนกับสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขาบุคคลและเสขบุคคลพึงเพิ่มสองวาระเพราะหน้าทิปติ ป, ปัจจัยบริบูรณ์แล้วมีหนึ่งวาระน้ปุเรชาตปัตจจัยเป็นต้น38สภาวธรรมที่เป็นของเสขาบุคคลเกิดรัคนกับสภาวธรรมที่เป็นของเสขาบุคคล พระนภูเรชาตะปัจจัยเพราะนภัจชาชาตะปัจจัยเพระณอาเสวนาปัจจัยเพระนกรรมปัจใจเพิ่มเพิ่มสองวาระเพระณวิปากาปัจใจเพิ่มเพิ่มสองวาระเพระนชานะปัจจัยเพระนมคราปัจจัยเพระณวิปยุตตาปัจจัย 2. ปัจยปัจญียะสองสังขยาวาระสามเนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ ณ three cool อธิปต <|so|> ิป enfin anyway anyway> ัจจัยมีสามวาระณปุเรชาตะปัจจัยมีสามวาระณปัจฉาชาตะปัจจัยมีสาวาระณอาศวณัตปัจจัยมีสามวาระนขรรมปัจจัยมีสองวาระณวิปากาปัจจัยมีสองวาระนชานะปัจจัยมีหนึ่งวาระนมข้าปัจจัยมีหนึ่งวาระณวิปยุตตาปัจจัยมีสามวาระพึงนับอย่างนี้ปัจจ尼ยะจก สปัจจญานุโลมปัจญิยะสีณอธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสวาระณปุเรชาตปัจจใจละถึงมีสวาระนปัจชชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสวาระนอาเสวนปัจจใจละถึงมีสวาระนกรรมปัจจัยมีสองวาระณวิปากปัจจัยมีสองวาระณวิปยุตตปัจจัยมีสวาระ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 นาทีปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระวิคตะปัจจัยละถึงมีหนึ่งวาระอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระพึงนับอย่างนี้ปั จ, จนิยานุโลมจบสังสัวาระจบสัมปยุตตะวาระเหมือนขับสังสถทวาระ